คุณยมย่ายเอ่อเพิ่นมาอยู่บัณนฑน์นะข้างโน้มนั่นพาลูกพาลานมาอยู่ว่าในีเพิ่นได้มรณะภาพมันได้มรณะลงไปแล้วอายุแปดจิบก็ปีแล้วก็ได้ทําบุญได้ไปชุ่มเพิ่งมื่อว่านเมื่อก่อนเมืันได้มาทําบุญประศาสประศาส์ผึ่งภาษาบานเฮ้า ทำหมุนประสาทเพิ่งอุทิศนกุศลให้คุณยมย่ายแต่สมัยเมื่อพ้นเดินได้ไปมาได้ใส่บาทบกเคยขาดได้ ย, ย่ายใส่บาทคู่ใบจ่าใส่บาดล้มพอบอกเคยขาดพ่อมาช่วงหลงัลงๆอายุมากขึ้นไปไส่บไหรให้กันแต่ว่าตัวตเตี้ยๆน้อยๆแต่ถึงยังไพ้น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 ระดับผู้ที่เขามาบวชถึงจะมาบวชแล้วก็เถอะนะ เ, เพียงแต่ว่าใดอยูนิฟอร์มสีสะพาเหลืองเท่านั้นอันนั้นก็ย่งห่างอยู่ขณะว่าผู้ใดเขามาบวชแล้วเสียสละแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นพระที่สมบูรณ์โวยศีล้วยศีราย จ, จรวัต เ, เป็นผู้มุ่งมั่นตอ่นตอศีลต่อธรรมแล้วก็เป็นผู้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 วันนั้นพวกเฮาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยในพบพระพุทธศาสนาในพบพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นับว่าพวกเฮาเป็นผู้โชคดีพเพราะนั้นตั้งตนไว้ให้ชอบสิ่งไหนที่มันบด่ดียาคิดยาคิดยาถ้ำยาพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคำว่าดีหูจักบอให้ถามมึงว่าดีคืออย่งคือถามจากของนั่นแหะ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 ร่างกายพื้นเผาแล้วันนัไป เ, เห็นในชัดเลยมิตรกระดูกเยแต่วันท่ามันท่ามคือจิตใจของเพลินนะ่ะจะต้องไปเกิ ด, กดในภพภูพมิต่างๆไปได้เพราะนั้นเรื่องใจนี่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วเรื่องใจเป็นจริงเปจําเป็นสําคัญอย่างมากนะคณะธรรมญาติโยมลูกหลานออตอนนี้ไปรับพ่อในทนีนี้นะ